มองโลงนะมองแง่ดีบ้างเนาะไม่มองให้เครียดเกินไปไม่ได้ช่วยอะไรหรอกมาฝึกจิตฝึกใจของเรานะเราต้องอยู่กับมันนะ่เราจะอยู่ในสังคมอย่างนี้แหละบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้แหละไม่ต้องไปทุกข์กับมันหรอกช่วยทางไหนได้ก็ช่วยไปเราก็ต้องทำกรรมไว้นะเราถึงต้องมาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ สภาพแวดล้อมที่ธรรมะยังเหลืออยู่กรรมดีนะไม่ใช่กรรมชั่วถ้าคนไหนทำกรรมมาไม่ดีตอนนี้ก็บอกอยู่ในสังคมที่ไม่ดีเลยอยู่ที่เลือกอยู่ตรงหางฉนะลาดก็เลือกอยู่ในสังคมที่มีธรรมะธรรมะยังมีอยูนะ่แล้วมาศึกษาธรรมะกันแล้วยกระดับจิตใจของเราขึ้นไปอกุศลให้ผลมาก็ไม่สนใจธรรมะ จะสนใจโลกโลกก็เศร้าใจไปเรื่อยไม่แก้ที่อื่นแก้ที่อื่นก็ดีเหมือนกันนะแต่มันแก้ลําบากเรามาแก้ที่ใจเราก่อนเยอะน้อยเราสร้างสังคมที่ร่มเย็นนะเป็นจุดเล็กๆขึ้นมารอบๆตัวเราแต่และคนมาเรียนธรร ม, มะแล้วก็ใจเราร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมา สังคมเล็กๆรอบตัวเราก็จะร่มเย็นขึ้นอันแรกเลยในครอบครัวที่มาเรียนธรรมกะกับหลวงพ่อนะแล้วจิตใจร่มเย็นเปลี่ยนแปลงไปคนในครอบครัวสัมผัสได้แล้วก็เลยมาเรียนกันทั้งครอบครัวนะต่อไปก็ไปอยู่ในสังคมที่ทำงานคนอื่นเขาปากกัดตีนทีพคนอื่นกาดคนอื่นตลอดอนะ่ะ เรามีตาดูมีหูฟังมีใจคิดสร้างสรรค์แต่ไปคนอื่นเขาเริ่มเห็นนะเขามีความทุกข์มีความเดือดร้อนอะไรเขาก็มาถามเราทําไมดูเราผ่องใสดูเราสดชื่นท่ามกลางความวุ่นวายเรามีความสุขอยู่ได้ยังไง mm hmm. เขาสนใจขึ้นมาเพาเราปฏิบัติให้เขาเห็นนะไม่ได้ไปนั่งสมาธิให้เขาเห็นหรอกในหน้าเรานะี่มันจะผ่องใสนะยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุข คนรอบๆตัวในที่ทำงานนี่กสัมผัสบ้างพอ เ, เขาได้ศึกษาธรรมะขึ้นต่อไปเขาไปสร้างสังคมในครอบครัวของเขาบ้างให้ร่มเย็นขึ้นมาไม่แก้ทั้งระบบเราทําไม่ไหวนะสัตว์โล่งเป็นไ ป, น ป, น ป, นปนตามกรรมเราช่วยกันสร้างจุดที่ร่มเย็นนะจุดเล็กๆนี่แหละค่อยๆกระจายออกไปเผื่อสังคมมันจะร่มเย็นมากขึ้นในวันหนึ่งข้างหน้านะ ส่มากจะไปคิดแก้คนอื่นแก้คนอื่นแก้ไม่ได้จริงอะอ้าต่อไปส่งกันบ้านภาวนาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าใจมันไม่แช่มชื่นนะเจ้าค่ะใจแห้งๆ แ, แล้วเหมือนจงใจภาวนาใช่ไหมะทีนี้พอจะไม่ภาวนามันก็หลงไปไม่ได้ต้องภาวนาไว้ก่อนนะไม่แช่มชื่นก็รู้ทันแล้ ทำไมภาวนาแล้วไม่แช่มชื่นอันหนึ่งเราอยากนะทีเราอยากเราอยากให้มันดีอยากรู้ตลอดเวลาเลยไม่แช่มชื่นบางทีเกิดปัญญาก็ไม่แช่มชื่นนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งของการภาวนาเห็นแต่ทุกข์ไม่แช่มชื่นมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยก็อดทนเอาอย่าให้ความทุกข์นั้นครอบงาจิตจุดสำคัญไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วมีความรู้สึกอย่างไร จุดสำคัญมันอยู่ที่ว่าภาวนาแล้วนีจิตมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อความรู้สึกงั้นเมื่อภาวนาแล้วจิตไม่แช่มชื่นรู้ว่าจิตไม่แช่มชื่นอยากแช่มชื่นรู้ว่าอยากรู้ทันปฏิกิริยาของจิตต่อทุกๆสถานการณ์นี่ถึงจะเรียกว่าดูจิตเป็นถ้าจิตไม่แช่มชื่นหาทางทําให้แช่มชื่นไม่ใช่วิปัสสนาแล้วต้องไปทําสมถะ พระสมถะเนี่ยว่าจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สุขทําให้สุขจิตไม่สงบทําให้สงบมีปัสนานี่ยก็รู้ทันจิตใจของตนเองไวในทุกๆสถานการณ์โดยเห็นทุความเปลี่ยนแปลงงั้นบางครั้งภาวนามืดเลยมื ด, ไ ป, มดไปหมดเลยเราไม่ต้องตกใจว่าทําไมวันนี้ภาวนาแล้วไม่สว่างมืดกับสว่างนั้นเท่าเทียมกันพอสว่างขึ้นมาจิตก็หลงยินดีพอมืดจิตก็หลงยินร้ายก็หลงเท่าๆกัน งั้นเราอยาให้มันครอบงำจิตได้จิตไม่แช่มชื่นรู้ทันงั้นความรู้สึกมันครอบงำก็ไปเราจะเป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างมันมืดเราก็มีความสุขอยู่ท่ามกลางความมืดมันสว่างเราก็มีความสุขอยู่ท่ามกลางความสว่างเวลาได้โล ก, กธรรมมาได้ลาบได้ยศได้สารเสรินได้ความสุขมา เราก็มีความสุขมีความสงบอยู่ท่ามกลางราบยศสารเสริอสุขมีความเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกเกิดขึ้นเราก็เป็นกลางมีความสุขอยู่ท่ามกลางความเสื่อมราบกเสื่อมยศท่ามกลางการนินทาท่ามกลางทุกนั่นเอง <S <S <ม>อยู่กับโลกด้วยความเป็นลกลางแล้วฝึกจนกระทั่งจิตเราเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโลกนี้ต้องดีไม่ใช่ว่าเราต้องสัมผัสแต่อารมณ์ที่ดีอารมณ์เร็วๆก็สอนธรรมะเราเท่าๆกันแหละ ทีนี้พอเวลาภาวนาไปเนี่ยมันเอย่างเมื่อคืนตอนเด็กๆอาจจะเป็นว่ากลัวความมืดด้วยอืมก็เลยแบบว่าจงใจภาวนา ม, มันจะเห็นความเครียดนะ่ะเจ้าค่ะโลภมะโลภอยากภาวนาเข้าไปบังคับจิตจิตถูกบังคับจิตก็เครียดเหมือนเวลาเราบังคับลูกนะลูกก็เครียดนะจิตเหมือนลูกแหลนะนให้การศึกษาเข้าไปส่วนเขาจะดีเขาจะเลวเขาจะสุขเขาจะทุกข์ก็ขึ้นกับกรรมของเขา เราให้การศึกษากับลูกเนี่ลูกเป็นยังไงเขก็ต้องเป็นไปตามกรรมของเขาจิตนี้ก็เหมือนลูกนะเราให้การศึกษากเขาไปพาเขาดูกายดูใจให้เห็นไตรลักษณ์ไปส่วนเขาจะสุขเขาจะทุกข์เขาจะดีเขาจะชั่วเรื่องของเขาแนละ้วจัดการจิตนะเหมือนจัดการลูกนะไม่ใช่ตัวเราแล้วสบายมืดมาเหรอมือดก็รู้เนี่ยเวลาเราป่วยไข้สมมตเราป่วยหนัก mm. โคม่าแล้วนะ จะให้จิตประพัดสอนเหรอที่มันไม่เป็นอ่ะเจ็บมากเลยทุรนทุรายเลยรู้มันด้วยความเป็นกลางไปเห็นร่างกายทุรนทุรายจิตรู้ด้วยความเป็นกลางตายอย่างนี้ไม่เสียประโยชน์เลยนั่นเราต้องอยู่ให้ได้ในทุกๆสถานการณ์ทุกๆปรากฏการปรากฏการทางบวกเราก็เป็นกลางปรากฏการทางลบเราก็เป็นกลางถ้ามันไม่เป็นกลางขึ้นมาให้รู้ทันไว้รู้ทันแล้วมันจะเป็นกลางของมันเอง ตันี้สําคัญนะไม่ใช่ฝึกเอาดีเพราะดีไม่เที่ยงไม่ใช่ฝึกเอาสุกนะเพราะสุกมันไม่เที่ยงแต่ถ้าฝึกแล้วนะสุดขีดแล้วนะมันดีนะมันสุกนะ้ําสงบนะสงบนะโลกจะแตกมันก็ยังสงบอยู่นั้นเพราะมันโลกมันกระเทือนเข้ามาไม่ถึงจิตใครทุกข์ยังไงนะธาตุขันจะแตกจะดับจะทุกข์ขนาดไหนจิตก็มีความสุขอยู่นั้น เพราะว่าสิ่งต่างๆกระทบเข้ามาไม่ถึงจิตจิตที่ฝึกดีแล้วเลยนําความสุขมาให้แต่ไม่ใช่สุขอย่างที่พวกเราสัมผัสเป็นสุขที่พ้นจากความปรุงแต่งโอ้วิเศษนะสุคนี้ยอ่ะต่อไปตามนมั ส, สการค่ะหลวงพ่อจิตหนูมันกลัวหลวงพ่อมากบอกจิตหนูมันกลัวหลวงพ่อเมื่อกี้หลวงพ่อเทศมันสั่นกลัวไปหมดเลยโอไม่ได้กลัวหลวงพ่อหรอกกลัวต้องส่งกันบ้าน หนูไปภาวนาที่เชียงดาวมาหกอาทิตย์เพิ่งกลับมาค่ะหลวงพ่ อ, อตอนนี้หนูเห็นแล้วว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่เรามีความคิดเมื่อนั้นเรามีตัวตนมเมื่อไหร่ที่เราอยู่กับ ม, มันจะเป็นว่างหลังจากที่เราคิดแล้วอะตรงนั้นไม่มีตัวตนไม่มีสุขทุกข์มันไม่มี<ต>เราอยู่ในนั้นว่างตัวนี้ไม่เอาน ะ, ว, ะว่างตัวนี้ยังใช้ไม่ได้เป็นว่างที่คู่กับวุ่น ว่างได้ก็ยังวุ่นได้อีกอเป็นภพภพหนึ่งที่จิตเราไปสร้างขึ้นมานะงั้นถ้าเราไปติดอยู่ในภพนี้นะถ้าสติปัญญาไม่พอเรารู้สึกมีความสุขนะแต่จริงไม่ดีหรอกนะงั้นเราต้องอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างเท่าเทียมกันนะจิตปรุงแต่งเราก็อยู่ได้อย่างเท่าเทียมกันจิตว่างๆว่า ง, า ง, างก็ปรุงแต่งอีกแบบหนึ่งนะความปรุงแต่งมีสามแบบนะปรุงแต่งฝ่ายชั่วเรื่องอาปุญญาพิสังขาร รูปแต่งฝ่ายดีเรียกว่าปุญญาพิสังขารรูปแต่งว่างๆเนี่ยเรียกอาเนนชาพิสังขารรากเงา่าอันเดียวกันเลยคืออวิชายาวตัวนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยนะไม่งั้นจะหนีโลกแล้วอย่างเวลาที่จิตเรามันเข้าไปอยู่ตรงนั้นสักพักนึงแล้วมันก็ถอยออกมาคือเหมือนกับว่ามันจะกลายเป็นมีความคิดแทรกเข้ามาอย่างนี้นั่นแหละจิตมีหน้าที่คิดนะกระทั่งจิตพระอรหันต์ก็คิดทําไมไม่มีตัวตนนะทําไมไม่มีความทุกข์ล่ะงั้นตัวที่ชี้ขาด ว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เนี่ยไม่ใช่คิดหรือไม่คิดหรอกแต่เข้าใจหรือไม่เข้าใจต่างหากคือเรารู้มาลงไปว่าตรงนั้นมันเป็นแค่พบพบหนึ่งเหรอคะหลวงพ่อใช่ใช่หนูดูไปนะว่างๆนั้นเป็นพบพบหนึ่งเท่านั้นเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้พบตัวนี้ชื่ออากาสานัญจายตนะพบตัวเนี้ยแล้วสังเกตดูในพบเนี่ยมีจิตเป็นคนดูถ้ามาสังเกตที่จิต ถ้ามาสังเกตที่สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยจะเป็นความว่างถ้ามาสังเกตที่จิตนี่มีจิตเป็นคนดูถ้าจงใจอยู่ในว่างติดอยู่ในว่างก็ติดอยู่ในอากาสานัญจายตนะถ้าจงใจมาจับเอาตัวจิตตัวผู้รู้เนี่ยเป็นวิญญาณัญจายตนะถ้ายังเห็นว่าว่างก็เอาไว้ก็ทุกข์จิตเอาไว้ก็ทุกข์ทิ้งสองตัวนี้นะจงใจนะทิ้งสองตัวเนี้ชื่ออากิญจัญญายตนะมันยาวหมดเลยหลวงพ่อเพราะงั้นอย่าไปลงอยู่ตรงนั้น ใครมาเรียนกับหลวงพ่อแล้วว่างๆแล้วก็เสร็จหลวงพ่อหมดนะ่ะผมไม่เอานะครูบาอาจารย์สั่งหน้าระ ว, วังอย่าให้จิตไปติดเฉยหลวงพู่ดุลนก็สอนนะสอนบอกว่าเพิกรูปถอดแล้วก็ถึงความว่างนะเพิกความว่างซึ่งจะถึงมหาสุญญาตาต้องไม่ติดความว่างนี้อีกถ้าติดความว่างนี้ก็ปล่อยมันไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเวลาเราเข้าไปเห็นตัวนี้เราควรทํายังไงคะหลวงพ่อก็เหมือนเราเห็นมาชี้เลื้อนตัวหนึ่ง ไม่ต้องให้ค่ามันจิตให้ค่ารู้ว่าให้ค่าไม่มีคําว่าต้องเล้วค่ะนะได้รู้อย่างที่มันเป็นแล้วค่ะแล้วเมื่อวานนี้หนูเดินจงกรมอยู่ในศาลาค่ะหลวงพ่ อ, อก็เห็นใจที่มันคือเดินเดินอยู่แล้วก็เห็นใจที่มันค่อยๆไหลลงไปเต็มฐานนะคะแล้วมันก็ดีดตัวออกมาอ ม, มันก็รู้คือแต่ไอตัวรู้เนี่ยเมื่อก่อนมันจะ ที่หลวงพ่อบอกมันว่างแล้วมันเที่หนูบอกหลวงพ่อว่ามันว่างแล้วมันก็สลับกับรู้เออไม่ใช่ว่างแล้วก็สลับกับลงอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่เขาเนี้ยพอมันดีดมารู้ปุ๊บมันจะเห็นว่างตัวเนี้ยมันจะเป็นว่างที่แบบนานเกือบสินาทีคือหนูเดินดูตัวเองที่แบบเหมือนเป็นศพอะค่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นเลยแล้วก็แขนขามันไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นแขนขามันเป็นก้านก้าแล้วมันก็เดินไปเดินมาหนูรู้สึกไหมไอ้ตัวดูเนี่ยนิ่งๆค่ะทุกอย่างไม่เที่ยงยกเว้นตัวดู อ๋อมันก็คือตัวเดียวกันกับที่หลวงพ่อบอกเมื่ อ, อกี้นี้มันก็ไปติดนั่นแหละอ๋อค่ะมันก็เป็นพอีกพบหนึ่งไหมทุกอย่างแสดงใจรักนะยกเว้นจิตตัวรู้นี่เที่ยงค่ ะ, ะแล้วเที่ยงกันเป็นกลับกับเลยนะตรงนี้ถ้าหลุดไปพรหมโลกการดูจิตเนี่ยถ้าพลาดนะจะไปอารูปประภูมิไปอารูปปรมเป็นอารูปประพมดูกายนะดูพลาดไปจะเป็นรูปประพม งั้นหนก็แค่รู้มันไปอืมแค่รู้มันนะมันก็คือสภาวะอันหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่าเทียมกับทุกๆสภาวะนั่นแหละไม่ใช่ว่าว่างดีกว่าไม่ว่างนะถ้าว่างดีกว่าไม่ว่างเนี่ยยังเป็นภาวะแห่งความเป็นคู่อยู่ยังมีความต่างอยเฉะนั้นจิตจะดิ้นรนเอาความว่างจะดิ้นรนหนีจากความวุ่นวายถ้าจิตยังปรุงแต่งจิตยังดิ้นรนอยู่สร้างพบสร้างชาติไม่เลิกหรอกแต่ถ้าเห็นสภาวะทั้งหลายนั้นเท่าเทียมกันหมดเลยนะ จิตไม่ปรุงต่อเห็นแล้วจบลงจริงๆเลยไม่ปรุงต่อด้วยปัญญาอันยิ่งนะไม่ใช่ประคองไว้ไม่ใช่ตัวนี้นิ่งตัวอือ่นปรุงไม่ใช่ในท่ามกลางความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะเห็นจิตเกิดดับไปด้วยนะแต่ว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันนะนั่นแหละถึงจะไม่ยึดถือจริงๆถ้ายังประคองตัวรู้อยู่ไม่ใช่หรอกขอบพระคุณนะคะปล่อยให้ออกนะหนูมุ่งไปทางอารูปมากไป คือหนูรู้ลงไปแล้วก็ยังไงก็ได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อยอมรับมันหนูรู้ลงไปอะไรก็ได้สุขทุกขด์ดีชั่วว่างไม่ว่างเสมอกันหมดเลยอยู่ที่จิตเราจิตจะเกิดปฏิกิริยาอะไรให้รู้ทันเห็นว่างแล้วจิตพอใจรู้ทันเห็นว่างแล้วจิตนิ่งๆเฉยๆรู้ว่านิ่งๆเฉยๆเห็นมันก็ยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งความว่างทั้งจิตนั่นแหละดีที่สุดเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่ อ, อ S <S <S แทนที่จะเป็นวิญญาณังอนิจจังกลายเป็นวิญญาณังนิจจังขึ้นมาแทนที่จะเห็นว่าวิญญาณังอทุกขังนะนจะกลายเป็นวิญญาณังสุ ข, ขังขึ้นมาแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นอนัตตานั้นจะรู้สึกว่าคุมได้วะถ้าฝึกดีเต็มที่แล้วคุมได้ถาวรคิดอย่างนี้เลย <S <S อะ ก, การนมัสการครับหลวงพ่อครับ ก็ช่วงที่ผ่านมาติดหลงโลกอยู่ก็มันทั้งมานะอับตาพอนาดีขึ้นเยอะแล้วละ่ะครับนะแต่มันก็ยังยังยังยังไปหลงอยู่ครับหลวงพ่อครับก็อย่างน้อยเรารู้ว่าหลงบ้างนะก็อย่างดี ร, รู้รู้ครับเพราะมันก็เพลิดเพลินสุขไปกับทางโลกค่อนข้างเยอะอะครับก็แต่ว่าในในการปฏิบัติก็ปฏิบัติทุกวันสนมนทุกวันครับดูกายดูใจทุกวันก็ ก็เห็นว่าช่วงนี้พอฟังซีดีหลวงพ่อก็จะรู้ว่ามันก็มีขึ้นมีลงอนะครับช่วงนี้ก็เป็นคงเป็นช่วงขาลงมั้งครับเดือนนี้ครับแต่ก็ยังพอดูออกก็เห็นนะนะครับสรารวัตรเห็นไหมว่าทาั้งๆ้ที่ขาลงเนะี่ยแต่จิตเป็นกลางมากขึ้นตัวนี้ดูออกไหมใช่ครับเพราะงั้นขาขึ้นหรือขาลงไม่สําคัญนะสําคัญที่รู้ด้วยความเป็นกลางหลั ง, งครับนะจเจริญกับเสื่อมเนะี่ยเท่าเทียมกันเราไม่ได้พาวนาเอาจเจริญหรอกเพรา ะ, จะเจริญไม่เที่ยง แต่ว่าพอปัญญามันแก่รอบเนี่ยจิมจะเป็นกลางต่อความเจริญและความเสื่อมตัวนี้ตัางหากที่ทำให้ใจไม่ดิ้นรนปรุงแต่งต่อนะภานาดีขึ้นนะไม่ใช่แย่ลงก็แล้วก็เห็นว่าจิตมันมันมันไม่เที่ยงนะครับก็เห็นดีขึ้นมาครับหลวงพ่อครับนั้นแหละมันค่อยคลายออกนะว่าไง สามนมัส ก, การค่ะหลวงพ่อหนูอ่านหนังสือแล้วก็ฟังซีดีของหลวงพ่อมาสี่ปีครึ่งแล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยมาส่งกันบ้านเลยทีนี้หนูก็เลยสงสัยว่าช่วงสีปีครึ่งที่ผ่านมาหนูทําผิดเข้าลกเข้าพงแล้วไม่รู้ตัวหรือเปล่าคะหนูเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมถ้าเทียบกับตอนยังไม่ภาวนาเลยค่ะก็เห็นว่าเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเทียบกับสี่ปีครึ่งที่ผ่านมามันเหมือนกับมันมีพัฒนาการน้อยมากเลยค่ะพัฒนาการอยู่ที่ความเข้าใจ พัฒนาการไม่ใช่ว่าดีมากขึ้นสุขมากขึ้นสงบมากขึ้นนะแต่เข้าใจความเป็นจริงเห็นใจรักษณ์มากขึ้นคลายความยึดถือออกไปมากขึ้นมากขึ้นศีล ส, สมาธิปัญญาดีขึ้นดีขึ้นพัฒนาการเขดูกันตรงนี้อย่าแต่ก่อนเราทําผิดศีลหน้าตาเฉยเดี๋ยวนี้ทําผิดศีลแล้วละอายใจนี่พัฒนาแล้วนะอรหรือแต่ก่อนหนะ้าใจฟุ้งทั้งวันทั้งคืนไม่เคยรู้เคยเห็นเลยเดี๋ยวนี้ใจยังกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นคราวลนี่ก็ดีขึ้นนะ แต่ก่อนไม่เคยเห็นเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูเดี๋ยวนี้กายกับจิตแยกออกจากกันได้นี่ก็ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราภาวนาหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรนะทุกวันทําเวละ10นาที15นาทีก็พอ <c oughs> ทุกวันแบ่งเวลาไว้สัก15นาทีหรือ10นาทีสิบหมากไปอออก็เอา10แล้วก็มาพุทโธมาหายใจไม่ใช่ฝึกบังคับจิตแต่หายใจแล้วคอยรู้ทันจิตไป เคล็ดลับของการภาวนาอยู่ตรงนี้แหละที่ภาวนากันล้มลุกลลานไม่ค่อยสําเร็จนะเพราะชอบไปบังคับจิตหายใจแล้วจิตจะต้องนิ่งต้องสงบต้องดีมีคําว่าต้องเยอะแยะอะไบังคับมากเปลี่ยนเป็นหายใจแล้วรู้ทันจิตเลยหายใจแล้วจิตหนีไปคิดแล้วรู้หายใจแล้วจิตเป็นสุขก็รู้หายใจแล้วจิตเป็นทุกข์ก็รู้ในี่สุดธาตุรู้ตัวรู้มันก็จะเด่นขึ้นมาจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะหมุนเวียนไปเรื่อยๆคือตอนที่หนูภาวนา ตอนที่ปฏิบัติตามรูปแบบอะค่ะหนูจะรู้สึกว่ามันฟุ้งมากหนูไม่ชอบนั่งสมาธิเลยเพราะนั่งแล้วฟุง้งถ้าเดินจงกรมมันก็ฟุ้งแต่มันกลับมาง่ายกว่าค่ะแต่ก็คือรู้สึกว่าควรจะทําเพราะในระยะเวลาประจําวันจิตมันไม่มีแรงเลยอะค่ะตแต่ว่าต้องทําน ะ, ะทําในรูปแบบทําให้เราได้แรงคารวะเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่เรื่องอันแรกแรงไม่พออีกอันไม่ต่อเนื่องไม่ค่อยยอมต่อเนื่องทําำหยุดหยุดอะไรเงี้ยพลัดไปเรื่อๆเีย นั้นต้องอดทนนะทำทุกวันสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรทำทุกวันต่อไปพอมันปฏิบัติไปช่วงนะมันมีความสุขที่ได้ปฏิบัตินะมันจะเพิ่มเวลาได้เองแม่ครูบาอจย์ขอ1ิบนาทนะีแต่หนูขอยี่สิบนาทีทำแล้วยิ่งสบายขึ้นเรื่อยๆนะแต่ไม่ติดความสุขนะ อ่าอีกเรื่องหนึ่งค่ะหลวงพ่อคือเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดถึงวิหารธรรมหนูก็เคยฟังซีดีที่หลวงพ่อพูดถึงวิหารธรรมหลายครั้งแล้ว hmm. แต่ใจหนูมันคงฟุ้งซ่านมากมันคิดว่าถ้าหนูปกติหนูจะลืมวิหารธรรมค่ะ hmm. ถ้าหนูมีสติระ ล, ลึกขึ้นมาได้ว่าหนูควรจะภาวนาพุโทโธหรือว่ารู้ลมหายใจทําไมไม่เอาสติตัวนี้ไปดูจิตเลยมันเหมือนกับไก่กับไข่อนะคะ่ะ hmm. ถ้ามีวิหารธรรมก็มีสติแต่ถ้าไม่มีสติก็ไม่มีวิหารธรรมนะคะ่ะถ้าฟุงา้งซ่านมันก็ดูไม่ได้ ง <c oughs> ั้นเราตัดความฟุง้งซ่านซะก่อน <c oughs> นะขยับไปหลวงพ่อใช้กระทั่งพัดนะพัดยับแล้วรู้สึกเหรใจเผลอไปพัดๆไปตีเวตัวเองเข้างทีนะเขารู้สึก อ, อะต่อไปใครมาจากที่ไกลๆบ้างมีไหมเอาไกลๆเลยนะแล้วอยากส่งกันบ้านไกลอย่างเดียวไม่อยากส่งกันบ้านก็ไม่ต้องยกมือ ร้อมาจากไหนเออไกลนำ้ำมกันหลวงพ่อครับออผมเพิ่งกลับจากต่างประเทศแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนำหน่อยครับปฏิบัติธรรมอย่าไปนึกเรื่องคําว่าปฏิบัติธรรมมากไปนะวุ่นวายเปล่าๆ เ, เ, เรามาเรียนรู้ตัวเองดีกว่านะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนะคอยเรียนรู้เอาลองเริ่มจากเรียนรู้จิตใจของเราก็ได้สังเกตไหมจิตใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกัน บางวันก็ตื่นขึ้นมาก็สดชื่นบางวันตื่นมาก็แห้งแล้งะนะมาเรียนรู้ใจของตัวเองไปเรื่อยๆนะลืมคาว่าปฏิบัติไปมันจะไปหลอกให้เราทำโน้นทำนี่มากมายขึ้นมามันคือการเรียนรู้ตัวเองนะพอเราดูได้ว่าแต่ละวันใจเราไม่เคยเหมือนกันต่อไปก็ดูละเอียดขึ้นในวันเดียวกันนะเช้าสายบ่ายเย็นก็ไม่เหมือนกันต่อไปก็ดูได้ละเอียดขึ้นอีกเป็นขณะเลยขณะที่มองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนไป ขณะที่ได้ยินความรู้สึกก็เปลี่ยนไปขณะที่คิดความรู้สึกก็เปลี่ยนไปคอยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆภายหลังการกระทบอารมณนะ์นี่มันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะแล้วอย่าง อ, อื่นมันรู้เองแหละนะพอไหวไหมอย่างนี้นะไปดูนะพอนึกออกไหมว่าแต่และเวลาแต่และ ว, วันนี้ใจเราไม่เหมือนเดิมเราไม่ได้ไปฝึกให้มันดีนะไม่ได้ไปบังคับให้มันนิ่ง เราต้องการเรียนให้เห็นเลยว่าจิตใจเราเนี่ยไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดจิตใจเนี่ยถูกความอยากบีบคั้นมีแต่ความทุกข์เพราะความอยากเกิดขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวอยากโน้นอยากนี้ทั้งวันเรียนให้เห็นความจริงว่าจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้เนี่ยเรียกว่าเราเรียนรู้ความจริงของตัวเราเองนะเรียนอย่างนี้แหละแล้วก็จะเข้าใจธรรมะในเวลาสั้น ถ้าคิดว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรมเราก็ไปคิดถึงรูปแบบของการปฏิบัติซะมากกว่านะจริงๆการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ตัวเองแต่ว่าคนไม่ได้เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ตัวเองนะคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการฝึกบังคับจิตตัวเองให้มันดีให้มันสุขให้มันสงบนั่นผิดเป้าไปแล้วทายากเพราะอะไรเอาดีเป็นเป้าหมายดีไม่เที่ยง เอาความสุขเป็นเป Л ้าหมายความสุขไม่เที่ยงเอาความสงบเป็นเป Л ้าหมายความสงบก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าเรามาเรียนรู้ความจริงเราจะเห็นเลยจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะมันจะคลายความยึดถือออกไปไม่นจะมีความสุขขึ้นมาแทนมีความสงบอีกอย่างหนึ่งขึ้นมานิพพานนั้นก็คือความสงบอย่างหนึ่ง น, นะนิพพานโดยสภาวะของนิพพานคือสันติอย่างที่นี่ยสวนสันติธรรมสันติธรรมคืออะไรคือนิพพานนั่นแหละ อาเชิญคนพิจิตตนมรส ก, การหลวงพ่อนะคะคือมานะอยู่ในตัวเมืองเลยไม่ใช่ค่ะอยู่อําเภอโพทะเลค่ะอะก็เคยมาครั้งหนึ่งเมื่อม ก, กระดาตอนนั้นไม่รู้อะไรเลยค่ะหลวงพ่ อ, อพอดีวันนี้มาขอบคุณหลวงพ่อหลังจากที่สเปะสปะมายี่สิบกว่าปีอตอนนี้เห็นทางแล้วค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วก็เอาธรรมะของหลวงพ่อไปเผยแพร่ วันนี้ขอมาขออนุญาตหลวงพ่อนำธรรมะของหลวงพ่อไปเผยขอพระพุทธเจ้านะเอาไปเผยแพรย์ด้เถอะเอาไปเผยแพท่ที่วัดที่บ้านเพราะว่าเป็นผู้เผยแพท่ให้กับผู้ถือศีลอุโบสถช่วงเข้าพรรษานี้เจ้าค่ะหมทนานะหมดนานสิบหสหนอนอคนกรุงเทพนั่งเก้าอี้อยู่นั่งเก้าอี้กลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะจะขอเรียนถาม เ, าเรื่องอื่นๆก็ได้ฟังหลวงพ่อเทศมาแล้วก็เพิ่งจะ เ, เริ่มเดินกอไก่ค่ะแต่มีปัญหาเบสิกอันที่จะถามหลวงพ่อคือว่าเมื่อวานนี้พี่เลี้ยงให้เล่นเกมค่ะให้เล่นเกมปิดวาจาทีนี้ก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเกมปิดวาจาเนี่ยห้ามอะไรบ้างคะเพราะว่าตามความเข้าใจคือไม่พูดเฉยๆก็จะอ่านธรรมะสวดมนต์ ในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเรียนถามหลวงพ่อว่าทําได้ไหมเพราะว่าถ้าไม่ทำแล้วอึดอัดมากเลยหลวงพ่อแค่สองชั่วโมงเองทําไมมันยาวนานมากมายแล้วก็มันเหมือน <c oughs> ถ้ามันไม่ถูกเจริญก็ไม่ควรทําใช่ไหมคะหลวงพ่อ <c oughs> ขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่รู้หรอกเกมกีดบาจา่าไม่ได้คิดเกมนี้มา <c oughs> <c oughs> พี่เรียกเขาอุตสาหพัฒนาเกมเพิ่มมาให้เล่นก็ดีแล้วล่ะโยมเห็นไหมว่าจิตใจเราเ ร, าร่าร้อน นั่นแหลเขาให้ปิดบาจาแล้วให้เราดูจิตนั่นแหละนะงั้นเราลองปิดนะเวลาเราอยากคุยนะเราจะเห็นในใจมันจะดิ้นดินดิ้นนมันมีความทุกข์เกิดขึ้นมีความอยากทีไรก็ทุกทุกทีเลยเนี่เรียนธรรมะแหะเรียนจากของจริงไม่ต้องมีใครพูดให้ฟังเลยแต่เห็นจริงๆด้วยตัวเองเลยแค่อยากจะพูดนั้นรู้สึกเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยใช่ไหมแต่เดิมเราอยากพูดเราก็พูดเลยเราไม่รู้หรอกว่ามีความอยากเกิดขึ้นเราไม่รู้หรอกว่าทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นเรามีความทุกข์ อนี้แค่เราไม่ได้พูดชนิดเดียวนะอื่อาจจะแย่เราอยากพูดแล้วมันทุกข์เราก็จะได้เรียนธรรมะจากของจริงมีความอยากทีไรก็รมีทุกทุกทีเลยนะดีนะไปปิดดูบ้างขอบคุณเจ้าค่ะคนไหนช่างพูดขอให้เล่นเกมปิดวาจานะอคนไหนไม่พูดอยู่แล้วขอให้เล่นเกมพูดมากหลวงพ่อไม่รู้หรอกอวัตถุประสงค์เกมพเพราเยังไงอันนี้ใช้ได้ไหมที่อธิบายถูกไหม เ <93. S 2> ก้าสิบสามธรรมศักดิ์ครับก็ภาพรวมในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาครับก็เห็นโลกมันไร้สาระมากขึ้นนะฮะแต่ก็ยังมีบางวันก็ยังเห็นมันมีสาระอยู่ครับแล้วก็มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเห็นเป็นมันรู้สึกว่ามันเป็นรู้สึ ก, กไหมว่าจิตกับโลกมันเริ่มห่างออกจากกันครับเห็นไหมร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันหเห็นสุขทุกข์กุศลนักกุศลมันแยกออกไป ภนะาวานานใช้ได้นะแต่จิตจะต้องตั้งมั่นถึงฐานจริงๆแล้วเป็นคนดูทุกอย่างที่ไหลหผ่านไปถึงฐานอยู่โดยไม่ได้ประคองนะถ้าประคองอยู่แล้วบอกถึงฐานอยู่ใช้ไม่ได้นะกม็มารู้สึกว่ามันตกลงช่วงอาทิตย์สทที่ผ่านมาเนี่ย เ, ออเป็นกลางไหมกับการเสื่อมมันจะเป็นแว บ, บแรกพอที่เราวันไหนที่เราหายเป็นนานๆอย่างบางวันจะหายเป็นชั่วโมงเหมือนกัน น, ะออนานไป พอวันนั้นเราก็แว็บแรกก็จะรู้สึกขึ้นมาตอนที่รู้สึกรู้สึกขึ้นมาโดยทันทีตอนนั้นนะฮะเราก็จะรู้สึกไม่เป็นกลางขึ้นมา เ, นนะเราก็จะมีอีกจิตหนึ่งพูดตามมาว่าเออมันก็เป็นอย่างงี้แหละมันควบคุมไม่ได้ครับอแล้วก็ดูบ่อยๆครับนะทำในรูปแบบทุกวันนะจะเป็นอะไรเป็นเป็นเครื่องกั้นอะ่ะไม่ให้เราหลงยาวการทาในรูปแบบหกสิบสองขอบคุณครับนมิธการค่ะหลวงพ่อ ไม่ไม่ได้ไม่ได้มาวัดสองเดือนช่วงสองเดือนที่ผ่านมานี้ค่อนข้างจะห่างห่างจากธรรมะพอสมควรนะคะอย่างกับธรรมะอยู่ที่วัดเนะี่ยไม่ไม่ใช่ค่ะคือหมายว่าปกติอย่างโยมอยู่บ้านโยมก็จะนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ทุกวันแต่สองเดือนที่ผ่านมามันมีเหตุหลายๆอย่างประกอบกัน<อ>ทําให้มันไม่ทํา<อ>หนังสือธรรมะไม่ได้อ่านฟังธรรมไม่ได้ทําไม่ได้ฟังอะไรอย่างค่ะแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าโยมรู้สึกว่าโยมเป็นธรรมชาติขึ้นแต่โยมไม่แน่ใจว่า ไอ้ธรรมชาติที่เรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยมันมันจะได้ช่วงหนึ่งมันค่ะแต่แตอันนี้เริ่มเริ่มรู้สึกแล้วค่ะว่ากำกำกลังมันหมดใช่ค่ะแต่ว่าคือคือยมแค่อยากจะรู้ว่าช่วงที่อั น, นตอนนี้ยมรู้ว่าอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มหลงเยอะแต่ว่าช่วงก่อนหน้าเนี้ยมันรู้สึกว่าตั้งแต่ภาวนามาช่วงประมาณสักเดือนที่แล้ว อ, ะอ่ะรู้สึกว่ามันช่วงที่กลายเป็นว่าเออเนี่ย ธรรมชาติที่สุดแล้ว<ม>แต่โยมไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากโยมหลงเราไม่รู้เราคิด ว, ว่าอย่างเราพาวนาต่อเนื่องมานะมันมีความโลภซ่อนอยู่ข้างหลังจงใจนะพอความโลภความจงใจคลายออกไปเนะี่ยมันพอดีอาศัยกําลังที่ได้พาวนามาแล้วเนะี่ยมันส่งมาได้ช่วงพอกําลังที่ฝึกมามันหมดเนะี่ยมันจะฟุง้งค่ะนะนั้นยังไงเราก็ทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบไม่ได้หรอก ู้ว่่่่าทิงไไมดะคแต่อย่างน้อยเราเคยเจอแล้วภาวะที่ไม่จงใจแล้วก็ทีนี้มันมันเหมือนช่วงที่ผ่านมามันคือก็พยายามช่วงแรกๆช่วงเดือนแรกอะค่ะสู้สู้พยายามจะสู้อะค่ะแต่ยิ่งสู้ยิ่งรนมันยิ่งแบบอยิ่งไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยยอมรับมันว่าโอเคตอนนี้เราสู้ไม่ได้พอใจมันยอมรับตอนนี้มันก็เลยไม่ไหลใจมันก็ไม่ดิ้นมันก็ถอยออกมาแต่ตอนนี้มันก็ยอมรับขึ้นมาอีกอันหนึ่งว่าไม่ได้เรามันต้องกลับไป กลับไปฟื้นฟูใช่ต้องฟื้นฟูนะยังไม่ถึงกับนะตรงตรงเนี้ยังไม่ถึงกับว่าหลุดหลุดออกจากไม่มีแรงนเป็มันไม่มีแรงเท่นั้นแหละแต่ว่าจิตมันเคยเหตุแล้วภาวะที่รู้โดยไม่จงใจรู้อนะแต่พอมันมีกําลังขึ้นมาแล้วมันก็จะเข้ามาสู่ภาวะรู้ที่ไม่จงใจได้ง่ายตรงตรงที่โยมรู้สึกว่าพอดีพอดีอันนั้นถ้าถ้าโยมเพิ่มแรงเข้าไปมันจะมันจะเข้าไปตกลง ไ, ไ, ได้นะใช่ไหมคะ ไม่ไปไม่ไปติดในภพว่างๆอะไรออหลวงพ่อเคยบอกว่ายมไปติดในภพไม่ติด <พบ S 2> แล้วล่วลวละค่ะแต่ น, นี้มันฟุ้งแทนค่ะค25ภาวนานะเหมือนขับรถยนต์นะบางเวลาก็ต้องเหยียบคันเร่งนะเฉื่วยไปก็ไม่ได้บางเวลาก็ต้องเหยียบเบรกทำความสงบเข้ามานะเป็นช่วงๆไปเหยียบพร้อมกันได้ไหม เหยียบเหล็กพร้อมกับการเร่งได้ไหมรถสมัยใหม่ไม่ได้มันใช้ขาข้างเดียวอ้าวว่าไปอไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาเป็นี้ของปีเบอราค่ะปีห้าค่ะหลวงพ่อคะช่วงนี้ถ้าเราดูจิตแล้วเราดูแต่แรงอัดภายในจิตได้ไหมคะรู้อะไรนะแรงอัดที่มันดันขึ้นมากลางอกนะคะอ๋อนั่นตัวตัณหาล่ะ ให้รู้ทันแล้วทําไมใช้ตัวใช้ตัวนี้ดูแทนได้ไหมได้ใช้ตัวนี้ดูก็ได้มันก็คือจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะาหนึ่งแล้วก็อีกข้อนึ่งมันขึ้ น, นทั้งวันแหละดูออกไหมมันก็ถีอ่อะคะ่ะนั่นแหละถี่ยิบเลยละ่ะเพราะฉะนั้นหนูใช้ตัวนี้แหละเป็นวิหารธรรมได้จิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะใช่คู่หนึ่งหนูกลัวว่ามันจะเป็นการเพ่งหรือเปล่าคะเวลามีอะไร ถ้าจงใจดูก็เพ่งถ้าความรู้สึกเกิดเราวรั่วก็ไม่ได้เพ่งถ้ามีความรู้สึกแล้วอยากรู้ให้ชัดก็เพ่งอยากเข้าไปแก้ไขก็เพ่งค่ะแล้วก็มีข้อนึ่งอยากถามหลวงพ่ออะค่ะหนูอยากรู้ไหมอยากค่ะเออว่า ม, มาออหนูเข้าใจว่านิมิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นนะคะแ ต, แต่ว่าแต่ถ้าจิตมีสมาธิาอยู่ข้างนอกก็มีได้ แม้แต่ว่าเราลืมตาอยู่แล้วมันมีนิมิตแทรกเข้ามาก็ทําได้เหรอคะได้ทำได้แล้วนิมิตมีสองอันนะนิมิตจริงกับนิมิตปลอมแต่ถ้านิมิตจริงอะคะนิมิตจริงนะล้วก็พอเห็นนิมิตแล้วเราย้อนมาดูจิตนะพอจิตเราไม่ปรุงอะไรย้อนกลับออกไปดูยังอยู่อีกแต่ถ้าเป็นนิมิตที่จิตปรุงขึ้นไปย้อนมาดูจิตก็ขาดหมดนะออกมาดูไม่มีละไปเอาทําไมนิมิตมันแทรกขึ้นมาเฉยๆอ่ะค่ะกลับมาที่จิต กลับมารู้ทันจิตนะนิมิตแทรกเข้ามาแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบกังวลรู้ว่ากังวลน่ดูเข้าไปเลยบางทีมันก็เกิดขึ้นจริงอีกทีหนึ่งอย่างเนี้ย บ, บางทีมันเห็นขึ้นมาแล้วบางทีมันก็ไปเห็นของจริงอีกทีหนึ่งนนไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้ล่วงหน้าเนาะงั้นก็ไม่เป็นไรไม่ใช่สาระเพื่อความพ้นทุกข์หรอกรู้ทันกิเลสเราดีกว่าไอ้ของพวกนั้นเรื่องธรรมดา ลหลวงพ่อมีอะไรแนะนำหนูอีกไหมคะ่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะย้อนเข้ามาดูที่จิตนี่มิตทั้งหลายจะหายไปหมด32นมาสการค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาสามปีแล้วค่ะเพิ่งเคยส่งครั้งแรกก็ยังเป็นยังรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างอยู่ค่ะแล้วก็พยายามทำในรูปแบบบ้างให้มีกำลัง ใช้ในการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะคะ<ม>ทีนี้เมื่อไม่นานมานี้นั่งสมาธิค่ะแล้วก็รู้สึกถึงความว่างมันก็เห็นว่างๆเงียบๆสักพักหนึ่งมันไม่มันติดกันเลยอะคะ่ะอีกสิ่งหนึง่งก็พูดขึ้นมาว่ามันว่างนะเงียบเฮ้ยไม่ได้สิไอตัวที่เคยเห็นว่างๆเงียบๆมันก็เริ่มไปลืออารมณ์ลือลือลืออะไรก็ไม่รู้อะคะ่ะ<ม>ขึ้นมา แล้วสิ่งที่มันเอาขึ้นมามันเป็นความวิตกกังวลเรื่องงานแต่พอมันได้สิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมันกลับรู้สึกปลอดภัยใช่แล้วมันก็ตัดจบนั่นแหละคือบางทีมันยังไม่รู้เหตุรู้ผลนะจิตมันจะเกาะเกี่ยวอยู่งั้นไม่เลิกนะพอมันรู้ว่าคือเรื่องเรื่องอะไรแล้วเนี่ยมันก็ตัดเลยเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแหละไม่เลิกคืออะไรไม่เลิกคะหมายถึงจิตมันยังคล้ครวนค้นคว้าไม่เลิกมันไม่รู้ว่าคืออะไรแต่พอมันเข้าใจว่าคืออะไรแล้วมันจะจบแล้วเรื่องนั้นนะ อ, อย่างรู้ว่ากังวลเรื่องงานเนี่ยม่าจะหายะใช่ค่ะพอรู้ว่ามีความกังวลขึ้นมา<อ>แล้วเราก็ไม่งั้นมันตนุตนๆอยู่ในใจนะอย่งงางเงี้ยไม่หายออพอมันแจ้งขึ้นมาว่อ๋อนี่อันนี้อันนี้เข้าใจแล้วก็ทิง้งแต่พอได้ความวิตกกังวลกลับมาครองแล้วเราทําไมรู้สึกปลอดภัยกว่ากว่าความเงียบๆลงๆพอได้ความวิตกเนี่ยพอเรารู้ว่ามันวิตกเนีา ะ, ะจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาได้ เราเห็นสภาวะแล้วจิตเราก็มีแรงขึ้นมาตั้งมั่นอะไรก็ได้แล้วตอนนี้แล้วอีกครั้งหนึ่งก็นั่งสมาธิอยู่อะค่ะแล้วอยู่ดีมีอารมณ์ขึ้นมามเป็นอารมณ์โศกเศร้าเสียใจอะาไราอววรทีนี้ก็ยังยั ง, ย, งยังดูอยู่ก็ดูอยู่ว่าเขาจะเป็นยังไงเขาเริ่มขยายออกมาแล้วก็กลายเป็นร้องไห้ออกมามแล้วเราก็กลับไปรีเช็คที่ตัวตั ว, ต, วตัวที่ตอนแรกที่เขารู้อะค่ะว่าอเอ้ ใ ค, ใครเศร้าเราไม่ได้เศร้าไม่ด้มีเหตุอะไรที่เราต้องเศร้าอืแล้วความอะไรวันก็จบอีกเออนั่นแหละถ้ารู้แล้วมันก็หายเวลาสภาวะบางอย่างปลุงขึ้นมาไม่รู้ว่าคืออะไรนะจิตก็จะเกาะติดอยู่ตอนนั้นแหละไม่ยอมเลิกแต่พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ทิ้งล้วก็ไม่ต้องหนูก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องทําอะไรนะก็ปล่อยไปอย่าให้ใจฟุ้งไปก็แล้วกัน ก็ฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งไปออนะมันฟุงฟ้งเองอะค่ะหลวงพ่อ น, นั่นแหละต้องทาความสงบบ้างทําในรูปแบบนะใจจะได้ตั้งมั่นมีกําลังใจหนูฟุ้งไปคขอบคุณค่ะเจ็ดสิบเจ็ดนู่อยู่นอกห้องขยับไม้ขยับมือขยับมือต้องรู้สึกตัวนะขยับไปรู้สึกไปรู้สึกรู้สึกกลับกล่าวมรดการพระอาจารย์ครับ เมื่อห้าเดือนที่แล้วได้มาส่งกันบ้านพ่ออาจารย์ครับผมพ่ออาจารย์บอกว่าให้กลับไปทําให้สบายๆครับอพอกลับไปทําแล้วรู้สึกสบายก็เลยมาส่งกันบ้านพ่ออาจารย์ว่าทําถูกต้องหรือยังครับเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไหมเห็นครับผมเออถ้าไปเพ่งนิ่งๆก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับพอดีวันนี้ที่เข้ามารู้สึกว่ามันมีกําลังมากครับผมใจมันได้กําลังแล้วใจมันไปอัดทุกอย่างติดกําแพงไว้หมดเลยครับใจอะไรนะใจมันมีกําลังมากจนไปอัด อัดความคิดไปติดทุกๆอย่างไว้ครับอย่าไปอัดนะแล้วมันไม่ยอมคลายครับผมก็เลยพยายามรู้ไปเรื่อยๆอันนี้ตึ่นเกินไปครับถ้าอยากคลายรู้ว่าอยากเลยครับผมเพราะฉะนั้นเราจะใช้หลักนี้นะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะรู้ด้วยความไม่ยินดียินร้ายรู้อย่างเป็นกลางครับนี่คือการบ้านของบทต่อไปใช่ไหมครับใช่การภาวนาเนี่ยให้รู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นแต่ว่าพอเรารู้แล้วเนี่ยมันมักจะยินดียินร้ายขึ้นมา ให้รู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆในใจเหล่านี้แหละพอรู้ทันนะความยินดียินร้ายดับเราก็จะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางต่อไปครับผมขอบพระคุณพระอาจารย์ครั บ, บ, จ, รบจิตต้องเข้าฐานนะอย่าให้จิตกระจายกว้างๆออกไปนะจิตกระจายกว้างๆไม่เดียยิ่งกว้างมากรับอยังแรงด้วยนะไปอัดคนอื่นใส่ข้างฝาหมดเลยแต่ว่ากว้างๆออกไปนะ ให้รู้นะให้รู้จิตไม่เข้าบ้านแปสิบสองนรมาสการครับหลวงพออ่ อ, เ, อ, อเวลาทีออ่อยู่ที่บ้านนะครับนั่งนั่งย้อนกลับเข้ามาดูจิตนะครับนั่งอยู่คนเดียวครับแล้วก็จะรู้สึกบางครั้งก็จะรู้สึกถึงอารมณ์บางอย่างนะครับเวลาที่เผลอไปแล้วย้อนกลับมาระลึลกได้เนี่ยจิตจะไป เ, เป็นจุดๆอยู่ที่ ด้านหลังต้นคอครับแล้วก็จะทําความรผ่อนคลายสักสักครู่หนึ่งก็ก็จะรู้สึกสบายขึ้นครับแล้วก็จะมีอารมณ์เข้ามาอยู่เรื่อยเลยครับแล้วก็สักพักนึงก็จะเข้าไปรวมอยู่ที่หลังคออีกครับไม่จงใจนะอย่าให้จงใจเข้าไปอยู่ตรงนั้นบาทีเดี๋ยวเราไปอยู่นั้นแล้วพอใจให้มันไม่ชอบไปอยู่ที่นั่นเลยไม่ดีคไม่เป็นธรรมชาติเลย ครับแล้วกเ็เวลาเดินจงกรมก็จะกำหนดอีริย า, ากำหนดกิริยาการเดินนะครับแล้วก็จะใช้ความรู้สึกกับสติคู่ไปกับการเคลื่อนไหวครับอย่าให้อย่าให้มันเข้าไปแนบกับร่างกายที่เคลื่อนไหวนะครับดูเห็นร่างกายมันเดินไปเราดูสบายๆดูไม่เห็นคนอื่นเดินอะ่ะ มันเข้าไปแนบครับมันแนบนะสิครับอยาให้เข้าไปแนบเพราะรู้สึกว่าเข้าไปแนบแล้วรู้สึกว่าจิตมันมันสงบมันนิ่งมันแต่ว่ามันก็มีอยู่อันหนึ่งที่มันก็ยังไลเหมือนเดิเคยได้ยินคํานี้ไหมว่าแนบแน่นครับไม่ใช่แนบอย่างเดียวนะแน่นด้วยน้อมแน่นแน่นแนอยู่เออไม่เอาแนบแน่นอย่างนั้นไม่เอาครับดูห่างๆโปร่งสบาย เราจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเนสิ่งที่จิตไปรู้ถ้าแนบแน่นนะมันเหมือนบังคับได้นะครับแล้วก็จะรู้สึกเดินไม่ได้ไปนานหรอครับก็จะจะต้องเลิกเดินครับเพราะว่ามันมันรู้สึกมันแน่นแต่ว่าแนถึงบอกว่ามันแนบแน่นเล้วเวลานั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิก็จะใช้คําบริกรรมพุทโธครับไปกับการเคลื่อนไหวความรู้สึกที่ท้องพองยุบความรู้สึกพองยุบนะครับ แล้วก็แต่ใจมันก็อยากจะจิตมันก็อยากจะรวมนะครับเพราะว่าไปอ่านหนังสือธรรมะเขาบอกว่าต้องต้องให้จิตมันสงบต้องให้จิตมันรวมก็จิตไม่รวมเพราะอยากนะมันไม่ยอมรวมครับเออให้รู้ทันศัตรูที่ทําให้จิตฟุ้งซ่านเรียกว่านิวรณ์มันฟุ้งไปหาสิ่งที่พอใจเรียกว่ากามฉันทะมันฟุ้งไปหาสิ่งที่ไม่พอใจเรียกว่าพยาบาทมันฟุ้งสเปสสป่านะเรียกว่าอุทัดจันะ มันฟุ้งไปคิดนึกปรุงแต่งสงสัยนอนสงสัยนี่เรียกว่าวิชิกิจฉามันฟุ้งไปแล้วก็หมดเรื่องหมดแรงไปนะเป็นทีนามิทะล้วนแต่จิตเคลื่อนไปทางนั้นเลยวิธีที่จะให้จิตไม่มีนิวรณ์เนี่ยให้มีสติรู้ทันหัดพุดโทโธไปหัดหายใจไปจิตมันไหลไปมันฟุ้งไปเมื่อไหร่เราคอยรู้อย่าไปห้ามมันนะถ้าห้ามมันจะแน่นนั้นเราห้ามไปไม่ห้ามพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดแล้รู้พุโทโธจิตหนีไปคิดแลรู้ ถ้ารู้อย่างนี้บ่อยๆจิตจะสงบเข้ามาจะมาเป็นผู้รู้มีความสงบมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลปราดเปรียว่องไวนะสบายแล้วเอาจิตนี้แหละไปเดินตัญญาแยากธาตุแยกขันตอนนี้ก็ ย, ยังแน่นอยู่ครับโอ้ยมันแน่นนน่งครับคนโบราณเก่งนะบัญญัติศั์ออกมานะถ้าภาวนาเป็นนะจะรู้ว่าสะใจเห็นไหมคาว่าสะใจสะใจ ประเทศไหนนม่มีศัพท์แบบของเราบ้างนะหลวงพ่อเคยรวมไม่ได้สองร้อยกว่าคำแล้ววันก่อนคุณสันติเขาไปรวมมาให้สามร้อยกว่าคำเนะีย่ยเยอะมันสะท้อนความรู้สึกที่มีดีกรีแตกต่างกันเนะยอะแยะเลยคนไทยเก่งมากเลยรู้สึกตัวเอานะครับอย่าไปเชี่ยวเข็เนบังคับมันครับแต่ว่าถ้าชอบไปเชี่ยวเข็นมันครับเอออย่าไปเชี่ยวเข็นมันจิตมันเหมือนเด็กนะยิ่งบังคับมากยิ่งดือ้อ ครับขอบคุณครับหลวงพ่อครับขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนเนาะขยับได้นะแต่ใจหนีไปคิดคอยรู้ทันขยับไปแล้วใจหนีไปคิดคอยรู้ทันไม่ได้ขยับบังคับว่าห้ามหนีไปคิดหรอกแค่ขยับไปใจแอบไปคิดแล้วรู้ทันรู้ทันขย่าหลวงพ่อเทียนท่านเียขย่าทธาตุรู้คือปลุกความรู้สึกตัวนั่นเองขยับแล้วใจหนีไปเนี่ยขาดความรู้สึกนะ เพราะฉะน้เราขยับมือไปแล้วจิตนี้ไปคิดเรารู้จิตนีไปคิดเรารู้ภาวะแห่งความตื่นก็จะเกิดขึ้นเราก็มาดูกายดูใจทำงานต่อไปจะเห็นว่าไม่มีตัวเราหมดละหมดละ ว, วันนี้ไม่มีใครถามแล้วเชนกับบ้าน